Date 17, รีลีซเดทวันที่17พฤษภาคม2023แนวแอคชั่นอาดากรรมระทึกขวัญความยาว 2.21 ชั่วโมง141งนาทีเรตผู้ชม PG-13 ผู้กำกับหลุยเลเทอรียหลุยเลเตรียสกอร์วันที่6กันยายน1นสนับสนุนโดยเมเจอร์ซ e p ิ e x เมื่อ2ปีที่ผ่านมาใน F9 2021ตอนที่9้าของแฟรนไชส์จารกรรมรถซิ่งที่โด่งดังที่สุดของยุคนี้อย่าง f า s t อนด์ฟิรส ต้องยอมรับว่าเป็นภาคที่เปห่า i แบบไม่เป็นท่ามากที่สุดในบรรดาทุกภาคเพราะนอกจากความโมหลกแบบหลุดอวกาศปฏิเสธไม่ได้แหละว่าเป็นภาคที่โดนด่าเยอะแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเธอสุดท้าย Universal Studios ก็น่าจะมั่นอกมั่นใจกับแฟรนไชส์นี้ที่มีแฟนๆรอดูทั่วโลกจนยอมพร้อมที่จะมอบทุนให้สร้างหนังออกมาได้เรื่อยๆแถมหมายมั่นปั้นมือให้ ฟาดเอกกลายเป็นภาคสุดท้ายที่น่าจะพึ่งหวังความอีผิคของเรื่องราวและงานสร้างแบบทิ้งทวนด้วยการหันแบ่งออกเป็นสองภาคกันไปเลยซึ่งภาคแรกก็คือภาคที่ฉายอยู่นี้และภาคสองหรือจะเรียกว่าภาค11ก็ได้ที่ใช้ชื่อสุดเดอว่าฟาดเอ็กซ์ภาคสมีกำหนดฉายปี2025โน่้นเลยครับและล่าสุดที่วินดี ale, ้เซล์วินดีเซล์นักแสดงและผู้อำนวยการสร้างของหนังได้ออกมาบอกแล้วว่า จะขยายฟาดเอ็กให้เป็นไตราภาคกันไปเลยอธิบายง่ายๆก็คือจะไปจบบริบูรณ์อีกทีก็ภาค12โน่นเลยเอาเข้าไปและพอเป็นภาคสุดท้ายมันก็เลยมีความคาดหวังอยู่มากแถมระหว่างทางก็ดันมีอุปสรรคอีกทั้งบรรดาดราม่าไม่กินเส้นของนักแสดงที่น่าจะจบแล้วมัง้งและดราม่าใหญ่ก็คือการถอนตัวของจัสตินลินจัสตินลิน ผู้กำกับเบอร์หนึ่งที่เป็นผู้วางรากฐานแฟรนไชส์ฟ้าให้เติบโตมาจนถึงตอนนี้ได้และถูกวางให้กำกับสองภาคสุดท้ายที่ดันถอนตัวหลังจากกำกับไปไม่กี่สัปดาห์ด้วยเหตุผลบางประการย้ายตัวเองไปเป็นโปรดิวเซอร์ของหนังและทิ้งบทที่เขาเขียนร่วมกับแดนเมโซผู้เขียนบท Red of the Titan 2012เอาไว้ให้ลุยเลเทเรีอผู้กำกับชาวฝรั่งเศสมาสารต่อ ในแง่ของเรื่องย่อสิ่งที่ผู้เขียนเองต้องการอกจันไว้ตัวโตโตก็คือแม้หนังภาคนี้จะถือว่ามีทำลายที่ต่อมาจากภาคเก้าแต่เหตุการณ์และแรงบันดาลใจหลักของบทในภาคนี้จะเชื่อมโยงมาจากฟาดไฟ2011โดยเฉพาะฉากรถลากตู้เซฟที่ในหนังจะเอาภาพนั้นกลับมาย้อนให้ดูอีกรอบแบบเต็มเต็มเลยแต่ไม่ใช่แค่การตัดหนังมาแฟลชแบ็กเฉยเแต่ตัวหนังยังมีกิมมิคด้วยการเพิ่มซีเควน์ของตัวละครดนเตเรยสเจสันโมโม ลูกชายของเจ้าพ่อยาเสพติดเฮอร์นานเรเยสครัวกิมเดออัลเมดาโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นมูลเหตุความขัดแย้งของดันเต้ที่มีต่อครอบครัวของดอมลงไปในซีนนั้นได้อย่างกลมกลืนด้วยฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูฟาสไฟถ้ามีโอกาสดูเพื่อทำการบ้านก่อนไปดูภาคนี้ก็จะดีครับส่วนเรื่องราวในฟาสเอ็กก็จะเป็นเหตุการณ์12ปีหลังจากนั้นครับเพราะหลังจากที่เฮอร์นนถูกสังหาร มันกลายเป็นชนวนเหตุให้ดันเต้ออกไล่ล่าครอบครัวของดอมด้วยการล้างบางสมาชิกครอบครัวทั้งหมดเพื่อหวังจะให้ดอมรู้สึกทรมานไม่ต่างจากเขาดันเต้กลายเป็นวายร้ายที่ขนาดวายร้ายอย่างไซเฟอร์ชาลีเทอรอนก็ยังเอาไม่อยู่และในที่สุดครอบครัวของดอมทั้งเลตตี้ออติสมิเชลโรนริเกตมีอาโทเรโตเจแดน่าบรูสเตอร์โรแมนเทียสายกิปสันเท็ดปาร์เกอร์ลูดาคริสฮาน ซุงคังและเรมซี่นาทาลี่เอมมานนเอลต้องมีอันแตกกระสานส่านเซ็นไปกันคนละทิศก่อนที่ดอนจะเริ่มรู้ตัวว่าเป้าหมายสุดท้ายของดันเต้ไม่ใช่ตัวเขาเอง แต่เป็นลิตเติ้ลไรอันวีโออัเบโลเพอรีลูกชายวัย8ขวบคนเก่งของดอมต่างหากอีกอุปสรรคใหญ่ของดอมก็คือเอเจนซี่องค์กรที่คอยกำกับดูแลทีมงานของดอมก็ถูกเปลี่ยนมือเปลี่ยนแนวทางหันมาไล่ล่าดอมและครอบครัวแทนมีแต่เพียงเทสรีลาสันลูกสาวของมิสเตอร์โนบอดี้ที่คอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆถ้าพูดถึงแฟนชายฟา a แอนด์ฟิริอส จะไม่พูดถึงบรรดาฉากแอคชั่นที่ทั้งโคดมันและโคดโมแหกกดแรงโน้มถ่วงและกดฟิสิก์ชนิดที่ครูสอนฟิสิกต้องนั่งร้องไห้และในภาคนี้ก็ไม่พลาดที่จะใส่ฉากแอคชั่นสุดโมมาให้มันกันแบบเต็มๆ เ, เล่นใหญ่แถมจัดให้แบบยาวๆด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นอานิสง์จากการใช้ทุนสร้างสูงปรีดถึง340ล้านเหรียญคือติดท็อปห้าหนังที่ใช้ทุนสร้างสูงสุงสดตลอดการไปแล้วก็เลยทําฉากแอคชั่นออกมาได้ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เป็นฉากแอคชั่นที่ก็ยังมีความโมนะครับ แต่เป็นความโมที่ทำออกมาได้สมเหตุสมผลกว่าฟาด9ซึ่งในแง่ความสร้างสารรค์แอคชั่นโดยรวมในภาคนี้อาจจะไม่ถึงกับสดใหม่มากเพราะทุกภาคก็อารมณ์ประมาณนี้แหละรวมทั้งยังเห็นร่องรอยการหยิบไอเดียจากภาคก่อนๆมาใช้พอสมควร แต่ก็ต้องชมหลายๆฉากที่ทำออกมาได้ระห่ำสะใจมากเช่นฉากลูกตุ้มระเบิดที่ลงทุนทำลูกตุ้มจริงมากลิ้งในกรุงโรงซึ่งแม้มันจะดูการ์ตูนการ์ตูนแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ตื่นเต้นเราใจดีหรือแม้แต่ฉากสันเขื่อนที่ผู้เขียนว่าจะโม้ได้แค่ไหนแต่สุดท้ายก็ออกมาทั้งโม้และบ้าสุดบ้าสุดไปเลยหรือฉากแข่งรถแบกเรสซิ่งที่ถือว่าเป็นการคารวะฉากแข่งรถจากภาคแรกแรกพอกรุบกริบพยายามโยงเข้าเส้นเรื่องกับปมอดีตของดอม แต่ก็ยังหาจังหวะโชโมโชจังหวะฮีโร่ของดอมได้อีกสิน้ารวมทั้งฉากสันเขื่อนที่คิดว่าโงมสุดแล้วแต่ในหนังก็ยังโมหักงุมได้อีกก็อย่างว่าแหละครับจะมาถือสาหาตากะอะไรกับฟาดแอนฟิริอสล่ะอีกอย่างก็คือภาคนี้ใช้รถเปลืองมากครับใช้กันชนิดที่เรียกว่าพังยับแหลกลานไปไม่น้อยเลยและด้วยความที่หนังเรื่องนี้มีตัวละครเยอะมากนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ตายแล้วฟื้นคือแทบจะขนตัวละครหลักจากทุกภาคกลับมาหมดแล้วละมัง้ง และด้วยความที่ทีมนักแสดงหลายคนในหนังก็เคยผ่านหนังซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วทั้งนั้นก็ยิ่งชวนให้คิดว่านี่มันหนัง crossover ระหว่าง Marvel กับ DC หรือเปล่าวะฉะนั้นบทก็เลยต้องเขียนให้ตัวละครแยกออกเป็นเส้นเรื่องต่างๆโดยมีเส้นเรื่องหลักก็คือดอมที่ลุยเดี่ยวกับดันเต้เพื่อปกป้องครอบครัวและมีตัวละครอื่นๆแยกไปเล่าเส้นเรื่องรองก่อนวกกลับมาเจอกันอีกทีตอนคลแม็ก กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของโรมันเทสและแรมซี่มันสมองของทีมที่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังและรับหน้าที่เล่นมุกซิตคอมที่หาบ้างแปกบ้างแก้เลียนจากฉากแอคชั่นพอได้เส้นเรื่องการผจญภัยของคู่ลุงหลาน เจคอบลิตเตอร์ไบรอนที่ลุงเจคอบในภาคนี้คาแรคเตอร์ฉีกจากวายร้ายเก๊กๆจากภาค9ไปเป็นลุงใจดีที่คอยเป็นบอดี้การ์ดพิทักษ์หลานรับไปซะแล้วและก็จะได้เห็นน้องไบรอันได้มีซีนโชว์ความเก่งด้วยซึ่งถ้าน้องจะสืบต่อเป็นโทรเรตโตรุ่นต่อไปผู้เขียนก็ว่าเหมาะสมนะครับรวมทั้งเส้นเรื่องที่ตัวแม่ทั้งเลตตี้กับไซเฟอร์ได้ออกมาฟาดกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นครั้งแรกซึ่งตัวหนังคงตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนอยากดูนั่นแหละ แต่ก็พอจับทรงได้ว่าเป็นฉากที่ใส่ใสมาเพื่อแค่ให้มีเฉยเอีกจุดสังเกตก็คือการกระจายบทให้กับตัวละครอันแสนยุบยับขนาดนี้ยังไงก็ต้องมีตัวละครเหลือที่ไม่ได้จำเป็นต่อเนื้อเรื่องนักจนทําให้ตัวละครเหล่านั้นได้มีแอร์ไทม์กันคนละแค่นิดหน่อยทั้งมีอาร์โทรเรตโตจแดนา่าบรูสเตอร์ลิเตเทนโนบอดี้สกอตอีสวูดรวมทั้งควีนี่ชอเฮเนีเรนและอบูลิตา Rita Moreno คุณย่าของดอมที่แทบจะเป็นเคมทีโอไปแล้วด้วยซ้ำแม้แต่วายร้ายดั้งเดิมอย่างไซเฟอร์ก็มีบทบาทน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอีกคู่ตัวละครที่แอบเสียดายก็คือตัวละครฮารและเด็กกาดชอเจสันสเตเทมที่อยู่ในเอนเครดิตภาคที่แล้วที่พอมาถึงภาคนี้แม้ทั้งคู่จะพอมีแอร์ไทม์บ้างก็ดันกลายเป็นตัวละครสมทบที่ไม่ค่อยมีบทบาทเด่นมากนักไปเสียอย่างนั้น การฟื้นจากความตายของฮานเลยเป็นแค่เหตุผลแท้ๆให้ฮานกลับมาก็เท่านั้นเองเป็นการมาของตัวละครสำคัญที่เสียของและใช้ไม่ค่อยคุ้มเผลอๆตัวละครเซอร์ไพรส์ที่โผลมาสั้นๆยังน่าจดจำกว่าด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้ผู้เขียนก็แอบอดคิดไม่ได้ว่าหรือการที่บทหนังพยายามจะเชื่อมโยงกลับไปภาคห้ามากกว่าเพราะต้องการจะลืมภาค9้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ที่ขโมยซินแบบแน่ๆเลยก็คือดันเต้ครับเรียกว่าเป็นวายร้ายที่แปลกกว่าตัวร้ายจากทุกภาคเลย คือเป็นตัวร้ายที่ทั้งบ้าความล้นความขโมยซีนความกวนเบื้องล่างอยู่ไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวร้ายที่โหดน่าเกลียดและน่ากลัวมากๆากมากซะจนซูเปอร์ฮีโร่ตายากอย่างดอมยังต้องหวนใจตัวหนังพยายามจะให้รายละเอียดและสาเหตุของความล้นและความโหดเยี่ยมผิดมนุษย์มนาของดันเต้ซึ่งเจสันโมโมอาเจสันโมโมก็เอาอยู่และนำเสนอบทบาทนี้ได้ออกมาการ์ตูนการ์ตูนซึ่งจะว่าไปมันก็เหมาะกับหนังโมโงทำนองนี้แหละนะ อีกจุดสังเกตที่ทําร้ายหนังเรื่องนี้ก็คือการตัดต่อครับเป็นหนังที่มีการตัดต่อและวางซีนไม่ว่าจะเพื่อสร้างความต่อเนื่องของเรื่องราวและอารมณ์ร่วมของหนังก็ตามทีแต่ ต, ตัวหนังกลับทําออกมาได้เข้าขั้นแยเพราะตัวหนังตัดสลับแต่ละซีนได้ไม่ไหลลื่นเอาเสียเลยการตัดสลับซีนบางจุดกลายเป็นข้อเสียที่ทําร้ายหนังตั้งแต่การทําให้การตัดสลับซีนออกมาได้ไม่ไหลลื่นและทําร้ายหนักถึงขั้นทําให้บางซีนมีอาการเล่าเรื่องสะดุดสะดุดจนบางทีก็น่าหงุดหงิดเหมือนกัน แน่นอนแหละว่า f a t x ออาจจะยังไม่ได้ถึงกับเป็นภาคที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์ทั้งในแง่บทฉากแอคชั่นและการตัดต่อที่ยังไม่เข้าร่องเข้ารอยนะัก แต่โดยรวมก็ถือว่าเข้าที่เข้าทางกว่าภาคเก้าเยอะเป็นหนังที่ใส่ทุกอย่างแบบจัดเต็มเพราะรู้ตัวเองและตั้งใจว่าจะมาทางนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรและมูปออนจากหนังรถแข่งสิ้นสู่หนังซูเปอร์ฮีโร่แบบเต็มๆขนาดฉากแข่งรถเฉยๆก็ยังงได้รวมทั้งการพยายามเพิ่มเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่ถือว่าทำได้น่าสนใจรวมทั้งบทสรุปจบแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในภาคไหนๆมาก่อนด้วย แน่นอนว่านี่คือหนังที่แฟนฟาดพันแท้ยังไงก็ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากฉากสิ่งสุดมันโดยแก่นแท้มันก็คือหนังแอคชั่นที่มีดีด้วยงานโปรดักชันและวิชวลกราฟิกที่ทําได้ตามมาตรฐานรวมทั้งยังอัดแฟนเซอร์วิสจากภาคก่อนก่อนมาให้แบบคุ้มคุมแถมยังเล่นมุกจิ ก, กัดตัวเองได้อีกต่างหากนี่ยังไม่รวมบรรดาตัวละครเซอร์ไครที่ดานหน้าสร้างสีสันให้ตื่นเต้นกันทั่วหน้าอีกนะครับการได้ไปฟังเสียงเครื่องยนต์กระหึ่ง แกล้งป๊อปคอร์นและน้ำอัดลมยังไงก็ได้ความบันเทิงได้อัธรสดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แทนที่จะมานั่งเครียดนั่งคิดนั่งคุยรือ้อหาเหตุหาผลรองรับสู้ปล่อยใจปล่อยจอยลืมทุกหลักการที่เคยรู้ลืมทุกตา ก, กะที่เคยเข้าใจแล้วเอนจอยไปกับความมั้วแหลกของหนังและเฝ้ารอบทสรุปที่เดายากมัง้งของหนังภาคต่ อ, ต, อต่อไปน่าจะดีกว่ากอลอตัวหนังมีเอ็นเครดิตหนึ่งตัวนะครับถ้าถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมอืมก็เซอร์ไพรส์แหละ ซ l s o หกจุดเจ็ดอินภาพยนตร์รีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่24พฤศจิกายน2020รีวิวฟอนเลนเอนเจิลนักฆ่าตาชั้นเดียวกระทำความหว่องฉบับบุยหวาและบ้าบินพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจํำรัดฟาด เ, เร็วซ์ลแรงทะลุนรกสิคุณภาพด้านการแสดง 7.1 คุณภาพโปรดักชันเจ็ดจุดคุณภาพของบทภาพยนตร์ 5.6 ความบันเทิง7ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 7.8 จุดเด่นฉากแอคชั่นโมก มันตื่นเต้นระห่าเข้าที่เข้าทางมากกว่าภาค9ชนิดที่ครูสอนฟิสิกส์ยังต้องนั่งร้องไห้เจสันมวโมอาคือ MVP ของหนังจริงๆมีครบทั้งความบ้าความแม่และความโหดเยี่ยมอิสต์เอกจากภาคก่อนก่อนมีเพียบสวิตแฟนแบบไม่ยั้งงานโปรดักชันและว f x จัดเต็มสมกับแฟนชายฟาดจุดสังเกตการตัดต่อสลับซีนหนังทําได้ไม่ดีนะักทําให้อารมณ์หนังสะดุดที่แย่กว่าคือทําให้บางซีนในหนังดูแย่ไปเลยการกระจายบทให้ตัวละครยังทําได้ไม่เนียนนะัก บางตัวละครมีบทบาทน้อยมุกของคู่หูโรแมนต์ถือว่าเข้าที่เข้าทางพอได้ยินแต่ยังไม่ถึงขั้นเรียกฮาได้สุดปอดปฏิปปาต่อเรื่องราวจากภาคหาได้ดีแต่ในฐานะหนังภาคต่อจากภาค9ยังทําได้ไม่น่าประทับใจนักหกาฟาดเอนื้อหาที่เกี่ยวข้องาดแอฟิวเรียส19ปีกับเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับหนังทั้ง9เรื่องตอนที่2อฮานฟื้นคืนชีพในตัวอย่างแรกฉบับเต็มฟาดแอนฟิวเรียส9ที่ออกมาทวงคืนตําแหน่งราชาบนท้องถนนฟาดแอนฟิวเรียส 19ปีกับเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับหนังทั้ง9้าเรื่องตอนที่1 16ประเด็นสำคัญในฟาดภาคก่อนก่อนที่คุณรื้อฟื้นความทรงจำก่อนไปดูฟาดเอ็ก